บัทีิจะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปได้พูดถึงเรื่องขันห้าหรือ ท, ที่เรียกว่าอุปทานขันกันมาโดยํำดักซึ่งถือว่าเป็นปริยายหนึ่งในการสอนธรรมะของพระผุ้มีพระภาคเจ้ดาวแต่ในขณะเดียวกันดังที่ ท่านทั้งหลายทราบแล้วว่าผู้เจ้านั้นจะรู้อริยสัจ ท, ทั้งสี่ประการพจนธรรมะที่ทรงสั่งสอนทั้งหมดจึงเป็นเรื่องของอริยสัจ ท, ทั้งสี่ประการเพียงแต่ว่าจะจับในส่วนใดขึ้นมาสอนเท่านั้นในขณะที่ทรงสั่งสอนที่แจงอยู่ถ้ามองในแง่ของปริยัติคือการเรียนรู้ศึกษา ก็จะเป็นเรื่องของธรรมะในสายด้นนั้นเห็ทรงแสดงเรื่องรูปก็เป็นการแสดงถึงความจริงในแง่ของทุกขสัจพระรูปทั้งหลายนั้นไม่ว่าจะเป็นรูปหยาบรูปละเอียดรูปไกลรูปใกล้รูปเดรรูปประณีตรูปที่ผ่านมาในอดีตกำลังปรากฏในนาคตและที่จะเกิดในโอกาสต่อไปแล้วก็ตกออู่ในกฎของพระใจรัก พูดง่ายๆว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแสดงความเป็นทุกขตาให้ปรากฏด้วยความเกิดขึ้นของรูปนั้นอาศัยเหตุปัจจัยต่างๆเข้ามาประกอบกันจะเกิดขึ้นและเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ไม่มีรูปอันใดที่ดำรงสภาพตืิมไม่ได้จะต้องมีการแปรผันเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปโดยลำดับ ในขณะเดียวกันก็ไปเจอกับปัจจัยทั้งภายในบ้างทั้งภายนอกบ้างมีการแผดเผาก่อให้เกิดทุกขเวทนาด้วยประการต่างๆเมื่อแผดเผาถึงจุดหนึ่งก็จะมีความร่าร้อนบังเกิดขึ้นทำให้ประสบทุกขเวทนาบ้างบางครั้งการแผดเผาไม่รุนแรงเกินไปก็ขอให้เกิดสุกขเวทนา มานจากจุดของรูปนั้นจะเห็นว่าเราได้สัมผัสทั้งส่วนที่เป็นสุขและส่วนที่เป็นทุกข์แต่ว่าโดยสภาพจริงๆที่ลึกๆลงไปนั้นท่านแสดงว่ามันเป็นเรื่องของความทุกขล่วนๆคำว่าสุขที่จำหมายกันที่เข้าใจกันเป็นแต่เรื่องของความทุกข์ที่ลดลงแต่นั้นเอง จำนองใกล้ๆกับเราหาประแบกของหนักอยู่เมื่อปลงของเหล่านั้นออกมาจากบา่าจํานวนหนึ่งก็รู้สึกประเบาขึ้นแต่ในแง่ของความเป็นจริงก็ยังหนักอยู่แต่ว่าหนักน้อยลงแค่นั้นเองแม้จะยกออกมาโดยลําดับเราก็จริงร่างกายเองก็ยังหนักอยู่เพียงแต่ว่าเมื่อเทียบเคียงกับจุดก่อนเราก็รู้สึกเบาขึ้นแค่นั้นเอง ฉันั้นพระวิชราเทรีภิกษุณีจึงกล่าวถึงความเกิดขึ้นของรูปว่ารูปนั้นไม่มีใครสร้างไม่มีใครก่อไม่มีใครรังสรรค์ให้บังเกิดขึ้นแท้จริงแล้วรูปนั้นเกิดขึ้นมาจากเหตุจากปัจจัยไม่ว่าจะเป็นขันเป็นธาตุเป็นอา จ, จตนะหรือรูปรวม ร, รวมว่าเป็นชีวิตแต่และชีวิตก็ตาม โดยสภาพจริงๆแล้วทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกท่านั้นตั้งอยู่ทุกเท่านั้นดับไปซึป่งก็เป็นการมองในแง่ของความเป็นจริงในขณะเดียวกันสิ่งเหล่านี้ก็ตกอยู่ในกฎของความไม่จริงเพราะมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอยู่ตลอดเป็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในลักษณะชีวิบแต่พอดีมีการไหลที่ต่อเนื่องกันมา ตำนองฝนตกหรือกระแสน้ําที่ไหลหรือกระแสไฟที่สว่างในขณะที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนั้นมีความแปรปรวนในแต่ละจุดคือจุดเกิดก็มีความแปรปรวนจุดตั้งอยู่ก็มีความแปรปรวนและจุดดับไปก็มีความแปรปรว น, ปนการดํารงอยู่เป็นการดํารงอยู่เพียงชั่วขณะแต่เอาขณ ะ, ละหลายๆแสนลหลายล้านขณะมาต่อกันทั้นั้น ตำนองใกล้ๆ ก, กับเส้นช็อกที่เราเขียนบกกนกระดานหรือถ้าเรามองไกลๆมันก็เป็นเส้นแต่เรามองใกล้ๆมันก็ความเป็นเส้นมันก็ไม่ค่อยชัดเจนเพราะว่ามีช่องว่างอยู่แต่ผมไมืแว่ขยายไปสองรูปรากฏว่ามันไม่มีเส้นอะไรเลยเพียงแต่เป็นจุ ด, ดเล็กๆของช็อกที่มาวางเรียงกันอยู่ท่านั้นเอ ง, งร่างการร่างกายของบุคคลก็มีลักษณะยอย่างนั้น เป็นการเกาะกลุ่มของสิ่งต่างๆแต่จุดเล็กที่สุดที่ท่านเรียกว่าอ น, นุแล้วก็หลายๆแสนหลายๆล้านอ น, นุมาต่อกันก็กลายเป็นลูกมันชีวิตขึ้นมาควัมกระแสเหล่านี้เขาก็ไหลไปเรื่อยๆที่ท่านเรียกว่าเป็นสันตติคือการเกิดกันมาอย่างสืบเนื่องทำให้เรามองเห็นคล้ายๆกับเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งๆที่ในแง่าของความจริงแล้วคนละอย่างกัน สถาการต่อไปก็คือว่าสิ่งเหล่านั้นขัดแย้งกับความเชื่อแท้แน่นอนซึ่งจุดเห็นในจุดนี้ถ้าหากว่าบุคคลพิจารณาเห็นได้สติสัมปชัญญะเป็นเครื่องปินิดพิจารณานั้นที่จริงแล้วก็เป็นมรรคสัตว์แต่การที่กิเลสตัณหาเป็นต้นได้เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคล ส่วนลึกๆจริงๆแล้วมันมาจากทิฏฐิคือความคิดเห็นในทางที่ผิดสถาวัตทิฏฐิคือความคิดเห็นในทางที่ผิดนั้นเกิดขึ้นมาจากอะไรเพราะก็เกิดขึ้นมาจากโมหะโมหะเกิดขึ้นมาจากอะไรก็เกิดขึ้นมาจากอาวิชชาซึ่งเป็นรากง่าของกิตเลยจากอาวิชชามากลายเป็นโมหะจากโมหะมากลายเป็นทิฏฐิคือความเหิดผิดทำให้จิตของบุคคลไปกําหนดหมายอารมณ์ที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเองหรือเรื่องที่ตนเองเข้าไปเกี่ยวข้องก็ตามไปเข้าใจว่าสิ่งเหล่านั้นเที่ยงแท้ยั่งยืนไม่แปรผันจะมีความกระสันยากในอารมณ์เหล่านั้นต้องการจะได้จะมีจะเป็นในอารมณ์เหล่านั้นโดยเข้าใจว่ารูปเสียงกลริย์รถเป็นต้นเหล่านั้นสามารถจะอยู่ร่วมกับตนได้ตลอดไปหรือตนจะอยู่ยั่งยืนตลอดไป ลักษณะของการมาตัญหาที่บังเกิดขึ้นเป็นสังเกตว่าเราเข้าใจว่าสิ่งเหล่านั้นจะอยู่อย่างยัง่งยืนแต่ว่าส่วนใดที่อยู่ไม่ยัง่งยืนในความอยากในจุดหนึ่งก็จะไม่ยังเกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นไปจะซื้อไอศกรีมเป็นแท่งแล้วก็เดินถือไปเพื่อไปฝากใครที่บ้าน ก็ใครก็จะไม่เอาไปหรือจะเอาไปก็ไม่เอาไปโดยวิธีนั้นเพราะอะไรเพราะปัญญามันเกิดรู้เท่าทันทำความจริงว่าสิ่งเหล่านี้มันเปลี่ยนแปลงเร็วมันละลายไปเร็วจะถือไปไม่ทันถึงบ้านมันก็ละลายหมดแล้วเพราะฉนั้นวัตถุประสงค์ที่จะไปฝากคนที่บ้านแล้วก็ให้เป็นไปตามที่ต้องการคนก็จะไม่ถือเอาไปถ้าถือเอาไปก็จะถือเอาไปเอาไปโดยวิธีอื่นที่แน่ใจว่าไปถึงบ้านแล้วความเป็นไอศครีมนั้นยังเหลือจุ จุดตรงนี้จะเห็นถึงปัญญาที่มีการจำแนกสามารถแบ่งแยกสามารถเข้าใจถึงความจริงของสิ่งที่ตนต้องเกี่ยวข้องในขนาดนั้ น, น, นแต่ในขนาดเดียวกันก็มีคนบางพวกที่ไม่รู้ถึงสภาวะที่แท้จริงของไอศกรีมด่านั้นก็อาจจะใช้ถือเอาไปฝากลูกวกหลานก็ได้แต่เมื่อถือไปแล้ว เธอจะได้บทเรียนว่าความจริงแล้วถือมาอย่างนั้นไม่ได้โอกาสต่อไปถ้าจะซื้อหาไปฝากก็ต้องใช้วิธีอื่นทําไมช่วงแรกจึงทําอย่างนั้นช่วงแรกก็เพราะมีอวิชชาปิดบังปัญญาเอาไว้มันก่อให้เกิดเป็นทิฏฐิคือความคิดเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นจะดํารงคงอยู่ได้จนกว่าตนจะนําไปสู่บ้านไปมอบไปเ ก, ก่ลูกเกตหลาน แต่พอมาช่วงที่สองนั้นอาศัยการเรียนการสังเกตกา ร, รมีประสบการณ์ด้วยตัวเองสติสัมปชัญญะก็บังเกิดขึ้นมีการน่ลึกรู้ว่าไอซ์ครีมนั้นมันละลายเร็วเอาไปไม่ได้จึงเหล่านั้นก็ซึมซับอยู่ภายในใจท่านไม่ต้องเกี่ยวข้องในช่วงหลังในช่วงต่อมาท่านก็ใช้วิธีอื่นซึ่งอาจจะอาศัยการศึกษาหรืออาศัยประสบการณ์ในด้านต่างๆที่ท่านเคย ได้เรียนรู้เคยเพบเห็นมาแล้วก็ใช้วิธีเหล่านั้นก็นำไอส์กิมเราดันไปได้เพราะลักษณะของปัญญาจะเห็นว่าเขาเกิดขึ้นในจุดใ ด, ดก็ตามก็จะทำลายกิเลสหรือทำลายโมหะในจุดนั้นให้เบาบางลงไปและจะมีเหตุผลสูงมากยิ่งขึ้นในการปฏิบัติจึงมีการสะสมปริมาณของปัญญาเพิ่มขึ้นโดยลำดับ เมื่อเกิดขึ้นแล้วกระแสของตัณหาที่อยากในอารมณ์ทั้งหลายมันก็จะมีเหตุมีผลมีการควบคุมได้มากยิ่งขึ้นแม้ความอยากนั้นยังมีอยู่แต่ก็รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นมีสถานะเป็นอย่างไรมีสภาวะเป็นอย่างไรแต่เราอยากได้จะใช้ประโยชน์อย่างไรจะใช้ประโยชน์ในช่วงใดหรือจะเก็บไว้จะเก็บไว้โดยวิธีใดเป็นต้นเพราะจริงๆแล้ว การดำเนินชีวิตประจำวันของบุคคลเช้นเอาของบางอย่างไปเก็บไปในตู้เย็นเอาของบางอย่างไปอุ่นไฟไว้เอาของบางอย่างไปแช่แข็งไว้เป็นต้นเป็นการสะท้อนถึงปัญญาความรอบรู้ในสถานะของสิ่งเหล่านั้นรู้อะไรก็รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นไม่เี่ยง มีการแปลผลันเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปได้ป้ะงกันวิธีที่จะรักษาหโดยชะลอความไม่เที่ยงของเขาเอาไว้บางใช้วิธีอุ่นไปบ้างใช้วิธีแช่แข็งไว้บ้างใช้วิธีใส่ตู้เย็นไว้บ้างเป็นต้นนั่นก็หมายความว่านในชีวิตประจําวันของบุคคลก็เกี่ยวข้องอยู่กับใจหลักเกี่ยวข้องอยู่กับความไม่เที่ยงแต่พอดีเรารู้ในจุดนั้นเรรู้ในจุดของ สิ่งเหล่านั้นว่าเป็นของไม่เที่ยงเราแก้ไขยังไงถึงจะชะลอความไม่เที่ยงไว้ได้เราก็ใช้แล้วก็ประพฤติปฏิบัติกันเพียงแต่ว่าบุคคลไม่ได้น้อมนำไปใช้ในส่วนอื่นไม่น้อมนำมาหาตัวเองไม่ได้เทียบเคียงพินิตพิจารณาตัวเองหรือเทียบเคียงสิ่งเหล่าอื่นที่ตนที่ต้องไปเกี่ยวข้องหากว่านาไปใช้พินิพิจารณาอยู่ไปบ่อยู่สม่เสมอแล้ว ก็เป็นการสะสมเหตุผลสติปัญญาในเรื่องเหล่านั้นเอาไว้สามารถที่จะควบคุมความอยากก็ อ, อาจจะมีการมาตัณหาอยู่ดังกล่าวแล้วเพราะที่จริงไม่ใช่ลาดได้ง่ายหรืยของการมาตัณหาแต่ว่าจะบรรเทากระแสะของตัณหาในอารมณ์ทั้งหลายคนนี้เวลาพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนระดับศีลธรรมจรญยาก็าจะสั่งสอนในแนวนั้นคือไม่สั่งสอนถึงระดับตัณหาไป แต่สั่งสอนในลักษณะให้บรรเทาตัณหาคือลดความรุนแรงของตัณหาจาถึงก็คอยควา้าปรารถนาแสวงหาในทางที่ไม่ชอบไม่ควรเพราะไรเพราะสิ่งเหล่านั้นโดยสถานะของเขาเองแล้วมันก็ตกอยู่ในกฎของความไม่เที่ยงดังกล่า ว, วจิตใจก็จะเข้าใจแยกแยกแะได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นสามารถสงบใจจากอารมณ์บางอารมณ์ลงไปได้ ยิ่งฐานะความเป็นต่างๆยิ่งจะเห็นได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้ น, นแต่ทำไมคนยื้อแย่งความเป็นกันด้วยประการต่างๆซึ่งบางครั้งบางคราวเราก็พอรู้พอเห็นอะไรอยู่แต่เพราะพื้นฐานทางใจคือตัววิชาเองก็ไม่จางไปคลายไปทำให้โมหะมีความเข้มข้นสูงทิฏฐิคือความคิดเห็นก็เกิดขึ้นสูงทำให้ตัญหาที่ขวายความมาก็ มีการฝขวยคว้ า, ยายอย่างรุนแรงบางครั้งก็ถึงกาดประหารแล้วต่อสู้ทำลายล้างอีกฝ่ายหนึน่งตัวตัวอย่างง่ายๆข้าขราชการผู้ใหญ่ที่อายุตั้ง59แล้วหรือว่า58แล้วก็หมายความว่าอย่างมากก็อีกสองปีก็กเกษียณ่องที59แล้วก็อีกปีเดียวก็กเกษียณ แต่เพราะมีอวิชามีโมหะมีจิตติทำให้กระแสของตัณหาภราว่ตัณหาที่อยากเป็นของท่านก็ยังอยากเป็นทั้งทั้งที่ท่านรู้วันตายคือรู้วันเกษียณอยู่แต่ในช่วงนั้นปัญญามันก็เกิดขึ้นคุ้มครองใจไม่ได้มากพอจะทำให้มีพฤติกรรมในการกระทำบางสิ่งบางอย่างเป็นการทำลายล้างความดีที่มีอยู่ก่อนให้เสื่อมลงไปหรือให้ตกต่ลงไปอย่างน่าเสียดาย เพราะในจุดนี้ถ้าควา ป, ปัญญาเขาเกิดขึ้นหรือเข้าถึงใจรักก็ดีหรือเข้าถึงโทษของกิเลสคือเข้าถึงในจุดใดก็ได้เพราะที่จริงแล้วถ้าเราเข้าถึงใจรักนั้นกิเลสเราจะลดเองแต่เราเห็นโทษของกิเลสไอความยึดมั่นถรือมั่นก็จะลดเองเพรา ะ, ะไรเพราะว่าตัวของขันนั้นตัวของรูปขันนั้นเป็นทุกขสัตย์ ตัวของกิเลสนั้นเป็นสมุทัยสัตว์พวกนี้เป็นปัจจัยของกันแตกกันบางครั้งเรามองที่ความทุกข์ซึ่งลดลงก็เป็นการแสดงว่ากิเลสนั้นได้ลดลงบางครั้งเรามองตัวกิเลสว่าได้ลดลงก็แสดงว่าความทุกข์ในเรื่องเหล่านั้นก็ได้ลดลงพวกนี้ถ้าลดก็ลดด้วยกันภาพเพิ่มก็เพิ่มด้วยกันซึ่งมันผิดกับเรื่องของกุศลกับกุศลกุศลกับกุศลนั้นเมื่อขวายหนึ่งเพิ่มขวายหนึ่งลด เช่นสมมติว่าศรัท ธ, ธาเพิ่มขึ้นก็แสดงว่าความไม่เชื่อก็ดีความเคลือบแกรงสงสัยก็ดีตลอดถึงอวิชชาตลอดถึงตัณหาหรือการมราคะก็ดีจะลดลงไปตัวหนึ่งเพิ่มตัวหนึ่งลดตัวหนึ่งลดตัวหนึ่งเพิ่มแต่ว่าในกลุ่มที่เป็นเหตุเป็นผลกันนั้นระหว่างทุกขสมมัมภายหรือระหว่างมรรคดีโรตนั้น้าเพิ่มก็เพิ่มด้วยกันแต่ถ้าลดก็จะลดด้วยกัน ด้านการเห็นแจ้งตามหลักของภารรักก็คือเกิดขึ้นจากปัญญาเป็นเครื่องพีนิดปิจนาได้แก่การปฏิบัติตามองอะไรยมั่งเมื่อพิจารณาเห็นตามความจริงแล้วกระแสของตัณหาก็จะไหลช้าลงก็จะบรรเทาลงจนถึงสงบระงับจนถึงดับไปได้ในที่สุดข้อนี้เป็สังเกตหลักที่พระเจ้าได้ทรงสั่งสอนประลบเรื่องนี้เอาไว้ ในพระสูตรต่างๆเป็นอันมากเช่น ท, ทรงแสดงเห็นว่ารูปอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีต ก, ก็ดีอนาคตก็ดีปัจจุบันก็ดีทำไมายึงสอนรูปทั้งสามกานเพราะเป็นอาการของใจคนที่ขวอยคว้าเช่นมองเห็นรูปในปัจจุบันไม่ดีก็จะคว้ารูปในอนาคต แล้วก็รูปในอนาคตนั่นเองเมื่อคว้าไปแล้วปรากฏว่าเป็นของไม่เที่ยงมันก็จะคว้าอนาคตต่อไปอี ก, กหรือบางทีอาจจะย้อนไปสู่ปัจจุบันอย่างที่เคยยกตัวอย่างให้ฟังลักษณะอารมณ์ของคนเราในสังคมไม่ว่าในยุคใดสมัยใ ด, ยดก็จะเป็นอย่างนั้นทุกคนนั้นเผชิญหน้าอยู่กับรูปปัจจุบันหมายความว่ารูปในขณะนั้นเป็นปัจจุบันสมบุกสมบุคคลเหล่านั้นแต่ลักษณะทางใจนั้นจะไม่เหมือนกัน ลักษณะทางใจของคนที่ผ่านวัยหนุ่มสาวมาแล้วเข้าสู่วัยชราแล้วอวัยวะร่างกายเป็นต้นนั้นมีความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ตนไม่ต้องการไม่ปรารถนาท่านจะไม่คว้ารูปอนาคตเพราะอนาคตยิ่งแก่ใ่เลยฉันต้องการอายุท100ั้ทงร้อยปีทั้งร้อยกว่าปีนี่จะแก่มากไปท่านไม่เอาใจจะไม่คว้าไปสู่อนาคตแต่จะย้อนกลับเข้าสู่อดีต ไปมองรูปอดีตด้วยความกัหนัดเพลิดเพลินชื่นชมยินดีแต่ทีนี้ถ้าหากว่าคนนั้นเป็นเด็กเธอยังไม่พร้อมอะไรต่างๆนั้นยังไม่พร้อมที่จะเป็นผู้ใหญ่ในตัวเองความสมบูรณ์ในด้านสติปัญญาในด้านความรอบรู้วิทยาฐานะตำแหน่งหน้าที่การงานทรัพย์สินเงินทองเป็นต้นเธอยังไม่พร้อมหมดวันใจเธอจะคพาไปสู่รูปอนาคต ปรารถนาความได้ความมีความเป็นในรูปอนาคตและเข้าใจว่ารูปอนาคตนั้นจะเป็นรูปที่จะให้ตนดำรงอยู่ดีมีสุขไม่แปรผันเป็นตนส่วนคนที่กําลังประสบความสําเร็จในปัจจุบันนั้นอนดีตนั้นยังไม่ประสบความสําเร็จเพราะมันจะไม่ย้อนเข้าไปควา้าแต่จะกําหนัดเพลิดเพลิน อ, อยู่ในรูปปัจจุบันมีความพอใจติดใจกําหนัดจินตีอยู่ในรูปปัจจุบันเพราะนั้นใจมันก็สายไปในการทั้งสาม การสอนจึงทรงสอนให้บุคคลมองให้หมดคือมองทั้งรูปที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันเพื่ออะไรเพื่อบังคับใจแม่ไขว้คว้าบังคับใจไม่กระสัญอยากบังคับใจไม่เพิ่อฝันในรูปที่เป็นอดีตก็ดีอนาคตก็ดีเพราะที่จริงแล้วมันก็คืออย่างเดียวกัน็นตกอยู่ในสภาพของความเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีความแปรผันเป็นต้นหยาบก็ดีละเอียดก็ดี เร็วก็ดีประนีก็ดีอยู่ไกลก็ดีอยู่ใกลก็ ด, ก ด, กดีก็คือการก็ตกอยู่ในสภาพอย่างเดียวกันก็จะเกิดปัญญาพิจารณาเห็นว่าเอาก็จริงแล้วรูปทุกลักษณะมาอยู่ในจุดอย่างนั้นมันก็คือสักแต่วระตูซึ่งมีลักษณะเป็นยังไงลักษณะมันก็ย้อนกลับเข้าไปสู่ความคิดเดิมที่บอกว่าเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยไม่มีรูปอะไรที่ดารงสภาพเดิมไม่ได้ มีการถูกแผาด้วยประการต่างๆมีความเร้าร้อนด้วยประการต่างๆมันเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปที่จริงทั้งส่วนดีแล้วก็สวนไม่ดีเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปดำรงอยู่ได้เพียงช่วขณะในขณะที่ดำรงอยู่ก็มีความแปรผันในตัวของเขาเองมาขัดแย้งกับสิ่งที่เราเคยเข้าใจไว้เชื่อแท้นแน่นอนไม่แปรผันโดยพื้นฐานของความเห็นผิดที่เรียกว่าเป็นมิจฉาทิฐิหรือสัจสะตาทิฐิ ในสุดเมื่อมองรอบตัวได้เช่นนั้นแล้วก็จะเกิดความเข้าใจว่ารูปมันก็สักแต่ว่ารูปทท่านั้นเองอดีตก็สักแต่ว่รูปปัจจุบันก็สักแต่ว่รูปปัจจุก็สักแต่วรูประยัก็สักแต่วรูปละเอียดก็สักแต่ว่รูปเลวก็สักแต่ว่รูปไรก็สักแต่วรูปกล้ก็สักแต่วรูปวันใจเลยไม่รู้จะไขวยคว้าอะไรมันก็คือกันก็ทําให้เกิดความเบื่อหน่ายคล้ายกับหนักเพราะฉะนั้นอย่างที่ ได้ทรงแสดงว่าจริงๆแล้วรูปนั้นก็ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราจริงๆเป็นเรื่องของการสมมติบัญญัติเป็นเรื่องการเจอกันช่วครั้งชั่วคราวและในที่สุดก็แยกย้ายกันไปเริ่มต้นด้วยการไม่เจอเริ่มเริ่มต้นด้วยการไม่เจอกันแล้วก็มาเจอกันแล้วก็มาจากกันลักษณะเหล่านี้เราสังเกตว่าที่จริงก็คือเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นอาการที่เราเห็นได้ชัดว่ารูปบางรูปเราไม่เคยเจอเพอเจอก็แสดงว่าเกิดขึ้น แล้ในขณะที่ถือครองรูปนั้นก็ตั้งอยู่แต่ในที่สุดก็รูปนั้นก็จากไปเพราอรูปอื่นมันก็จะมีลักษณะอย่างนั้นเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็จะมีลักษณะอย่างนั้นหรือเวทนาสัญญาต่างๆวิญญาณก็จะมีลักษณะอย่างนั้นมันจะอยู่ในกระบวนการของการเกิดขึ้นการตั้งอยู่การดับไปแต่ถ้าใจเรารู้เท่าทันตั้งแต่เกิดตั้งแต่ตั้ ง, งในขณะเกิดในขณะตั้งอยู่ในขณะ ด, ดับไปใจมันก็จะไม่มีปัญหาอะไร คือจะไม่เกิดไขว่คว้าจนกลายเป็นความยึดติดเพราะปัญญาจะวินิจฉัยสิ่งเหล่านั้นเพราะโดยแท้จริงแล้วไม่ใช่ของเราหรือไม่ใช่ของเราจริงๆที่ท่านอุปมาให้มองคล้ายๆกับของจืดแล้วไม่ใช่เป็นเราคือเราไม่ได้เป็นอะไรจริงๆการเป็นทั้งหมดเป็นเรื่องสมมติทั้งหมด แต่แท้จริงแล้วชีวิตเราดันประสบกับการสมมติในแต่ละวันนั้นเราสมมติกันมากล้าเกิดแต่ว่าจริงเราก็ไม่ได้เป็นจริงสักอย่างเดียวแต่ถามว่าเราเป็นอะไรปัญหาสําคัญวันในขณะนั้นเราทํางานอะไรเราสัมพัน์เกี่ยวข้องอยู่กับใครเป็นการเป็นผู้ฟังในขณะ น, นี้มันก็เป็นผู้ฟังอยู่ชั่วขณะหนึ่งเท่นานั้นเองเสร็จแล้วมันก็เป็นอย่างอื่นไปเรื่อยๆตามจุดที่เราไปสัมผั์ ชีวิตในแต่ละวันจึงกลายเป็นบทเรียนอย่างดีที่จะสามารถถ่ายถอนมานะออกไปจากใจของตัวเองได้โดวยว่าบางครั้งงานที่เราทําก็เป็นงานพื้นๆธรรมดางานที่คนใช้ก็ทําคนโตไปก็ทําเราก็ทำโดยบางครั้งก็อาจจะทํางานสูงๆงานที่คนใหญ่คนโตก็ทำแต่เสร็จแล้วเราก็ทําอยู่ได้ชัว่วขณะเพราะนั้นความเป็นทั้งหลายอันเป็นที่นํามาซึ่งมานะนั้นจริงๆแล้วเราไม่ได้เป็นจริง แต่ว่าคนไปสําคัญมั่นหมายไปยึดไปติดไปเข้าใจเอาว่าเราเป็นยกตัวอย่างเช่นแม้แต่เราขึ้นโดยสารรถเมลรถไฟแต่เพราะใจที่ไม่รู้เท่าทันถึงความเป็นจริงบางทีก็ไปยึดมั่นถือมั่นเอาจริงเอาจังเขาให้ตัว๋วให้ที่นั่งเอาไว้พอดีมีคนไปนั่งซะก่อนแล้วก็มีที่ว่างอยู่ไม่ยอมนั่งก็ไปยึดมั่นถือมั่น ว่าตรงนั้นเป็นของเราทั้งๆที่จริงเราก็นั่งไม่กี่นาทีเราก็เลิกเราเราก็ไม่ได้เป็นเจ้าของสิ่งเหล่านั้นแต่เพราะใจไม่ยอมรับของความจริงในเรื่องเหล่านี้เพราะฉะนั้นทำให้จิตใจของบุคคลมีความเดือดร้อนด้วยสิ่งที่เรียกว่าเป็นของเราหรือความเป็นเราหรือว่าเป็นตัวเป็นตนของเราเพราะอะไรเพราะใจไปกำหนดอารมณ์เหล่านั้นด้วยอานาจของตัณหาที่เบื้องหลังก็คืออวิชชาคือโมหะคือชิติ ก็ออกมาในรูปของตันหาก็มีความรู้สึกว่าเป็นของเราบางทีชั่วประเดี๋ยวประดาเท่านั้นเองความเป็นของเราไม่อยู่ชั่วประเดี๋ยวประดาเท่านั้นแต่เราก็ไปเอาจริงเอาจังกับเรื่องเหล่านั้นมากเกินไปไม่มีการผ่อนปรนจนถึงทะเลาะแย่งที่นั่งกันบนร ถ, บ น, รถบนเรือเป็นต้นแล้วทั้งสองคนไม่มีใครเป็นเจ้าของคือไม่รู้แย่งอะไรของใครกันแต่ถ้าหากว่าจิตใจมีความ ระลึกรู้หรือมีเหตุผลจะมีอะไรก็ตามมีเมตตาก็ตามจะมีสติหรือสัมปชัญญะหรือมีขันติโสรัจจะอะไรต่ออะไรขึ้นมาสากข้อสองข้ อ, อ, ขอนี้ลักษณะของตัณหาเขาจะลดไปเองสมมติว่าเป็นที่ที่เราวังหมายตาว่าจะนั่งเพื่อมานั่งแต่ก่อนก็ปล่อยเขาไปปล่อยก็าตั้งไปเพราจริงๆในที่สุดเขาเองก็ไม่ได้นั่งเหมือนกัน เ, เขาก็เพราะเขาก็ต้องลงเราก็ต้องล ง, ก, ง, ลงก็จบกันได้ ปัญหาสําคัญในการดํารงชีวิตก็คือการเก็บสะสมประสบการณ์ในด้านต่างๆเป็นการเพิ่มพูนเหตุผลสติปัญญาขึ้นในเรื่องเหล่านั้นและความรู้สึกว่าเป็นเราหรือเป็นของเราหรือเป็นตัวตนของเราก็จะบรรเทาบางๆลงไปใจก็จะมีความปร่งเบาสบายเรารูปทั้งหลายนั้นไม่ว่ารูปอะไรก็ได้ที่จริงมันก็เป็นครูด้วยกันทั้งนั้น ปุจจ้าเองก็ทรงใช้รูปในลักษณะนี้เป็นครูสั่งสอนในแง่มุมต่างๆแม้ในการเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานก็เป็นสังเกตว่าพอถึงช่วงหนึ่งก็ทรงสอนให้ดูรูปในแง่ที่ความเกิดขึ้นของรูปความตั้งอยู่ของรูปความดับไปของรูปถามายังศึกษาในลักษณะนั้นก็เพื่อจะให้รู้ความจริงว่าเอาข้าจริงแล้ว รูปนั้นแกเป็นไปตามเหตุปัจจัยของแกเราไปตั้งความหวังว่าขอรูปของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยมันก็ทำไม่ได้ไปตั้งความหวังไปทุกกรณีนั้นเป็นไปไม่ได้แต่บางการณีก็พอทำได้จะเป็นการทำได้อยู่ช่วงขณะหนึ่งช่วระยะเวลาหนึ่งแต่นั้นเองจะทำได้นานๆไม่ได้เพราะอะไรเพราะจริงๆแล้วเขาก็ตกอยู่ในกฎของเขาคือไม่ได้มีความเที่ยงแท้แน่นอนอยู่ในความเป็นรูปเหล่านั้น จากการเรียนในจุดนี้เมื่อมองเห็นความไม่เที่ยงแม้เพียงอย่างเดียวไปจับอะไรเข้ามันก็รู้ว่าเป็นของไม่เที่ยงการเอาจริงเอาจังกับสิ่งไม่เที่ยงก็จะน้อยลงสมมุติจะใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นก็จะรีบใช้อย่างบางครั้งพระพุทธเจ้าสอนให้ดูที่เวลาแต่เห็นว่าเวลานั้นแกไหลไม่อยู่ดิ้งเราจะใช้หรือไม่ใช้แก่ก็มาแล้วแกก็ไปแล้ว เป็นวินาทีเป็นนาทีเป็นชั่วโมงก็ไม่รู้แหละแกก็ไปแกเรื่อยๆถ้าหากว่าเราจะต้องการให้ได้ประโยชน์จากเวลาเหล่านั้นก็รีบใช้ถ้าไม่ใช้แกก็จากไปจึงทรงสอนตอกย้ำให้เห็นว่าค่าของชีวิตของคนทั้งหลายในโลกนี้เราก็จริงแล้วไม่ได้อยู่ที่เราเกิดมานานหรือไม่นาน มันอยู่ที่การใช้เวลาที่ผ่านมาแต่ละขณะอาจารย์ที่ทรงแสดงไว้ว่าคนเราแม้มีอายุตั้งร้อยปีแต่ถ้าอยู่ด้วยความมัวหมองประมาทแล้วก็สู้คนที่มีชีวิตอยู่แม้เพียงวันเดียวแต่ไม่มัวหมองประมาทไม่ได้ซึ่งแต่ละอย่างนั้นต้องการสอนให้เห็นถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนความแปรผันของสิ่งทั้งหลายแม้แต่ตัวเราเองก็ตก อ, อยู่ในกฎเหล่านั้น ก็บุคคลเรานั้นพอมาปรากฏในปัจจุบันแล้วอาณาคตก็เป็นเรื่องที่เรารู้ไม่ได้ว่ามันจะอยู่ได้สักกี่วันอาจจะชั่วโมงหน้าอาจจะวันหน้าอาจจะเดือนหน้าอาจจะปีหน้าเราอาจจะต้องรัดพากจากโลกนี้ไปและลักษณะทางอารมณ์อีกอย่างหนึ่งด้วยลักษณะทางอารมณ์นั้นเห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงเส้นกุศลเจตนาบังเกิดขึ้นต้องการจะทําความดีอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าไม่รีบกระทํากุศลเจตนานั้นมันเปลี่ยนละ เกิทำไม่ได้ทูนอกุศลเจตนาที่บังเกิดขึ้นนั้นต้องการจะทจําอย่างใดอย่างหนึ่งแต่บางครั้งไปได้เหตุปัจจัยสนับสนุนจะมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเป็นปต้นหรือแสดงว่าทั้งสองอย่างเนี่ยทีเดียวเขาก็ไม่เที่ยงกันทั้งกุศลทั้งอกุศลแนวกุศล น, นั้นพระพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้เพิ่มขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็เพิ่มขึ้นไม่ได้พอเกิดขึ้นก็ต้องรีบทําตามที่กุศลเจตนานั้นบังเกิดขึ้น แต่พออกุศลและเจตนาก็ mm. ให้มองในแง่ของความไม่เที่ยงได้เช่นเดียวกันว่าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วอาจจะแรงขึ้นไปกว่านั้นอีกเพราะต้องรีบบรรเทาต้องรีบลดละอกุศลเหล่านั้นอย่าให้เกิดท่วมทับนิ จ, จิตใจของตนจนแสดงอาการรุนแรงออกมาแต่อย่างนั้นพึงสังเกตว่าจะมีความเชื่อมโยงกันทั้งหมดตัวรูปเองเป็นเรื่องของทุกษะ กิเลสที่เป็นเหตุให้ไขว่คว้าปรารถนารูปต่างๆคำว่ารูปในที่นี้หมายถึงทั้งที่เป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นเย็นรสอ่อนแข็งแล้วก็เป็นอาการของสมุทัยสัตว์จิตที่เกิดปัญญาพินิจพิจารณาเห็นโทษเห็นความจริงของรูปเห็นโทษของการไขว่คว้าปรารถนาด้วยแรงรัตนาเหล่านั้นแล้วก็พยายามที่จะบรรเทาเป็นอาการของมรรคสัตว์ ตอแนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทงความสงบสิบต่อไป